ไห้เตารีดผ้านะมาประกบกับหูนะมันก็ลวกหูลองจากเลยนะแล้วพอโทรศัพท์ดังอีกครั้งนะอ่ะคาคราวนี้ก็น่ะคว้าโทรศัพท์มาแนบกับหูแต่หูมันพองซะและ้วพอมาเอามาแนบกับหูก็ปวดอีกก็ร้องอีกนะอะ่คลิปนี้ไม่รู้ว่าเป็นคลิปถ่ายจริงหรือว่าแสดงนะ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 ิดีที่จะถวายผ้าให้กับหลวงลุงแต่หลวงลุงท่านไม่รับเพราะว่าท่านมีเยอะและ้วอยากจะให้หลานซึ่งเป็นเนรเนี่ยได้ใช้ผ้านั้นแทนแต่ว่าหลานก็เสียใจน้อยใจว่าหลวงลุงนะไม่รับผ้าของตัวไอ้ความเสียใจน้อยใจนี้ก็ครอมงำใจก็คิดอยู่นั่นแหละนะ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 ก็จะพาลูกเนี่ยไปหาหลวงลุงนะไปกราบหลวงลุ ง, ลงถึงตอนนั้นก็คงจะมีเงินนะซื้อเกวียนแล้วก็มีวัวมีควายเทียมเกวียนแล้วละ่ะจะนั่งเกวียนไปหาหลวงลุงกันทั้งทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกนะแต่เนื่องจากเตี้ยนเนี่ยนะมันกระแทกนะทางไม่ค่อยทางมันไม่ค่อยจะราบเรียบเท่าไหร่หครูคราเพราะฉะนั้นเนี่ย ก, ก็จะก็จะกาชับนะ เมียเนี่ยให้ให้ดูแลลูกดีๆนะกอดเอาไว้แน่นๆแต่เมีเนยนี่ก็ไม่ค่อยสนใจประมาทเกินไปไม่ได้กอดลูกเอไม่ได้กอดลูกเอาไว้ให้ลูกนั่งเฉยๆแล้วปรากฏว่าเกวียนมันก็ไปตกหลุมเข้ากระแทก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 อันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจนะคนราเวลาได้ยินเสียงโทรศัพท์เนี่นะจะต้องหยุดสักพักนะเดี๋ยวนี้พอได้ยินเสียงโทรศัพท์ปุ๊บนี่รีบวิ่งเข้าไปหาเลยะที่หมู่บ้านพรํานี่เขามีธรรมเนียมนะว่าถ้าได้ยินเสียงโทรศัพท์นี่ทุกคนในในสํานักก็จะต้องหยุดตามลมหายใจประมาณสักเสียงโทรศัพท์ดังสักสามครั้งถึงค่อยไปรับนะ